ตอนอย่างไหนขลังมงคลคสองสายที่ว่ามานั้นอย่างไหนจะขลังกว่ากันคือทําให้คนที่มีแล้วเจริญก้าหน้าได้แน่นอนกว่ากันข้าพเจ้าขอตัวไม่อยากจะตัดสินแต่จะขอมอบกฎเกณฑ์ในการตั้งมงคลให้ท่านผู้อ่านวินิจฉัยด้วยตัวเองการตั้งมงคลของนักคิดใช้วิธีตามตัวเอง เอาความต้องการของตัวเองออกไปตั้งเป็นมงคลคือคนเราธรรมดาสามัญย่อมมีความต้องการคนละหกทางคือต้องการดูรูปทางตาต้องการฟังเสียงทางหูต้องการสูดกลิ่นทางจมูกต้องการลิ้มรสทางลิ้นต้องการสัมผัสทางกายและต้องการคิดทางใจทีนี้นักคิดก็ถามตัวเองขึ้นว่า เจ้าพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้อย่างไหนต้องการอะไรชอบอะไรแล้วก็ยกเอาสิ่งที่ชอบนั่นเองขึ้นเป็นมงคลเช่นมงคลที่เอาตาเป็นเกณฑ์ได้แก่พวกถือขนาดถือรูปร่างของต้องวัดให้ได้ขนาดเท่านั้นตะพดต้องยาวเท่านั้นไม้เท้ายาวเท่านั้น อีกทีก็ถือสีเช่นพวกนิยมใช้สีตามวันเกิดวันอาทิตย์ใช้สีแดงวันจันทร์ใช้สีเหลืองและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นการเอาความต้องการของตามาตั้งเป็นมงคลมงคลที่เอาหูเป็นเกณฑ์ได้แก่พวกถือเสียงอย่างพวกพราหมณ์ถือเสียงสังเสียงบันดอเป็นเสียงมงคล ที่ว่าใบามตูมเป็นใบไม้มงคลก็เพราะเอาชื่อมันเป็นเกณฑ์ได้ยินคำว่าตูมรู้สึกว่าเป็นเสียงดังอยากจะทำอะไรให้มีเสียงด่งดังก็เลยเอาใบามตูมมาเข้าพิธีที่ถือใบมย ม, ยมก็เอาเคล็ดนิดเดียวตรงคำว่ายมเท่านั้นว่าจะทำให้คนนิยมที่ว่าถือใบเงินใบทองใบานาคใบาราชพฤกเป็นมงคล ก็เอาเคล็ดตรงชื่อเหมือนกันไม้มะขามก็ว่าทําให้ศัตรูกเกรงขามไม้ขนุนก็ว่าหนุนให้สูงขึ้นไม้กัญชาก็ว่ากันผีสางและอื่นๆเหล่านี้เอาเสียงที่หูได้ยินมาตั้งเป็นมงคลนี้ชี้ให้เห็นพอเป็นแง่คิดของที่ฝ่ายนักคิดตั้งว่าเป็นมงคล ใช้เกณฑ์คิดอย่างนี้เป็นส่วนมากเมื่อเอารูปเอาเสียงเป็นเกณฑ์ก็เลยเอาแน่อะไรไม่ได้หมายชนิดหนึ่งคนไทยเรียกชื่อเสียเพราะพริง้งแต่ชื่อในเมืองจีนอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้อย่าว่าถึงต่างประเทศเลยแม้แต่ในเมืองไทยเองต้นไม้อย่างเดียวกันแต่คนละภาคก็เรียกชื่อไปต่างๆกันชื่อดีก็มีชื่อเสียก็มี แล้วอย่างนี้จะเอาอะไรเป็นมั่นเหมาะหรืออย่างเช่นมงคลที่เอาสีเป็นเกณฑ์สีต่างๆก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนตาบอดนี่แหละเรื่องมงคลของนักคิดแล้วก็เพราะคิดไม่รู้จักหยุดนี่เองจึงทำให้น้ำมนกลายเป็นน้ำดองสมุนไพรตามที่ว่ามาแล้วถ้าไหนแพทย์จะปรุงยาสำหรับแก้โรค โดยวิธีซาวเสียงจากคนไข้ว่าใครชอบกินอะไรบ้างแล้วหมอก็ตั้งสูตรขึ้นว่าของที่คนไข้ชอบนั่นเองเป็นยาอย่างนี้ท่านจะเห็นว่ายอย่างไรยาประเภทตามใจคนไข้ยอย่างนี้จะศักดิ์สิทธิ์ไหมท่านผู้อ่านย่อมจะตอบได้เองทุกท่านการที่เจ้าลทัทธิฝ่ายนักคิดเอาของที่มีรูปสีเสียง ที่คนชอบเอามาอุปโลกว่าเป็นมงคลก็ไม่ผิดอะไรกับหมอเที่ยวไปหาของที่คนไข้ชอบมาทําเป็นยานัาข้าวคอสุราทั้งหลายก็อาจถือว่าขวดเหล้าขวดโซดาหมูแหนมถั่วขั่วเป็นมงคลไปหมดเท่านั้นมงคลอย่างแบบของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาสิ่งที่คนชอบเป็นเกณฑ์แต่เอาเหตุผลเป็นที่ตั้ง คนเราอยากเจริญก้าวหน้าเมื่อทรงพบว่าคนทำอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ทรงแสดงว่าการทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นมงคลและในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่แล้วจะก้าวหน้าได้เท่าไหร่ก็ทรงแสดงวิธีปฏิบัติไว้ครบหมดซึ่งรวมแล้ว38คขั้นด้วยกันมงคลเหล่านั้น อาจเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของคนทั่วไปก็ได้แต่ทรงรับรองผลว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริงเหมือนยาแก้โรคของหมอที่ซื่อสัตย์ไม่แน่นักว่ารสยาจะถูกปากคนไข้ไปทุกขนานแต่เอาผลทางแก้โรคเป็นเกณฑ์ถ้าหากว่ามีใครถามว่าเธอเช่นนั้นการใช้วัตถุมงคลเช่น ใบเงินใบทองหอยสังและอื่นๆในงานมงคลสมรสจะไม่มีผลดีอะไรเลยหรือข้าพเจ้าก็ขอตอบได้เลยว่าใจของปุถุชนเหล่านี้ยังตกอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและคำนดบประเพณีเพราะฉะนั้นการทำสิ่งใดให้ชอบด้วยคำนดบประเพณีจึงเป็นผลดีทางจิตใจอยู่ แต่ไม่เป็นการสมควรเลยที่เราจะฝากความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดไว้กับสิ่งเหล่านั้นถึงเราจะมีของครบตามบัญชีของนักชิดไว้ในพิธีมงคลสมรสแล้วถ้าคู่สมรสไม่มีมงคลของพระพุทธเจ้าเลยเช่นไม่ซื่อสัตย์กันไม่เอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลตั้งจะกล่าวต่อไปข้างหน้าชีวิตสมรสก็จะราบรื่นไม่ได้เลย น้ำจากหอยสังมงคลของนักคิดจะชุ่มฉ่ำก็ชั่วเปียกเท่านั้นแต่น้ำใจอันเกิดจากมงคลของพระพุทธองค์จะทำความชุ่มฉ่ำอยู่ชั่วชีวิตของเราเมื่อพิสูจน์ความจริงเชิญอ่านและพินิจต่อไป